สงเคราะห์เขาไม่ได้กับขันอายตนะและาธาตุเท่าไรสงเคราะห์เขาไม่ได้กับขันหนึ่งอาญตนะ11และาธาตุสิ 17. เอกมูลกนันในจบทุกกะมูลกันในยี่จักขายญาตนะและโสตายาตนะสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอาญตนะสองและาธาตุสอง สงเคราะห์เขไม่ได้กับขันอาญตนะเท่าและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เขาไม่ได้กับขันสี่อาญตนะสิและธาตุสิบหจ็กขายาตนะและคานายาตนะจากขายาตนะและเฉีวหายาตนะจากขายาต น, า ะ, าา ะ, นาะและกายายาตนะจากขายาตนะและปรูปายาตนะจากขายาตนะและสัทธายาตนะ จักขายัตนาและขันธายตนะจักขายัตนาและรัสายัตนาจักขายัตนะและโพธพายตนะสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนาสองและธาตสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายัตนะสิบและธาตสิบหก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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เขาไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิและธาตุสิทุกกะมูลกไนในจบทวาทศกันในสามสิบอายตนะสิสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรอายตนะสิเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้ว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 จะคูธาต์สงเคราะห์เขาได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาต์หนึ่งสงเคราะห์เขาไม่ได้กับขันอายตนะและธาต์เท่าไหรสงเคราะห์เขาไม่ได้กับขันสี่อายตนะ1ิและธาต์สิบเสสบสโสตธาต์กาณาธาต์ชิวหาธาต์กายธาต์รูปธาต์สัทธาธาต์คันธาต์รสัทธาโพธพธาต์ จักกุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 4, อายตนะ 11, และธาตุเทา่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะ1ิและธาตุสิบเจ็ามสมธรรมธา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 อายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบและธาตุสิบหาจักขู่ธาตุและคานธาตุจักขู่ธาตุและชิวหาธาตุจักขู่ธาตุและกายธาตุจักขู่ธาตุและรูปประธาตุจักขู่ธาตุและสัทธาธาตุจักขู่ธาตุและคันธาตุ จักกูธาตุและรัศชาติจักกูธาตุและโพธพัฒธาติสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะสองและธาติสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาติเท่าไหร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิและธาติสิบหากจักกูธาติจักขูวิญญาณธาติสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะสองและธาติสอง สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะละธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอายตนะสิบละธาตุสิบหามจ็ดจะคู่ธาตุและโสตวิญญาณธาตุจะคู่ธาตุและขานวิญญาณธาตุจะคู่ธาตุและจิวหาวิญญาณธาตุจะคู่ธาตุและกายวิญญาณธาตุจะคู่ธาตุและมโนธาตุจะคู่ธาตุและมโนวิญญาณธาตุ สงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอา 3, อยตน 10, แะและธาตุเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอายตนะสิบและธาตุสิบหามสิบแจักขู่ธาตุธรรมะธาเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสและธาตุสอง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 สงเคราะห์เขาไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้อัฐารสกนัยจบ 4. สัจจะเอกมูลกนัย40ทุกขัตรสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรทุกขัตรสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิและธาตุสิ สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอาญตนาและธาตุเท่าไรไม่มีขันอาญาตนาและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ 41. สมุทัยสัตว์และมรคสัตว์สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนาหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอาญาตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนา1ิและธาตุสิ 42. นิโรธทัสสัต สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันเหล่าไหนเลยแต่สงเคราะห์เข้าได้กับอายตนะ1และธาตุหสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันห้าอายตนะ11และธาตุสิเอกะมูลกันไนจบทุกกะมูลกนันไน43ทุกขสัตว์และสมุทรยัสสัตสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะ12และธาตุสิ สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่ไม่มีขันอายาตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้44่สิสี่ทุกขัสัตและมรุขัสัตสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิและธาตุสิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอาญตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้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 สิกะมูลกันใน 46. ทุกขสัตต์สมุทัยสัตต์และมัคคสัตต์สงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์หอายตนะสิและธาตุสิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันธ์อายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ 47. ทุกขสัตต์สมุทัยสัตต์และนิโรทัสัตต์เว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 จะขุนสสงเคราะห like ์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะ11และธาตุสิบเดห้าสโสตินสี่คานินสี่ชิวหินสี่กายินสี่อิทธินสี่ปุริสินสี่สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่ง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 อนัญญาตัญยัตสามีตินสีอนญาตาวินสีสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนาหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนาและธาตุเท่าไหรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนา1ิและธาตุสิเอกะมูลกนัยจบทุกกะมูลกนัยห้บห้า จกขุน4ี่และโสติน4สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์ขะะททเข้าไม่ได้กับขันอายตนะ 10. และธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิและธาตุสิบหกหากขุน4และคาเนิน4ี่จะขุน4และชิวหิน4จ่กขุน4และกายิน4จ่กขุน4และอิดถิน4จ่กขุน4และปุริสินส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 จากขุนศีและโสมนัสินศีจากขุนศีและโทมนัตสินศีจากขุนศีและอุเปกขินศีจากขุนศีและสัตถินศีจากขุนศีและวิริยินศีจากโโ <hai> ขุนศีและสตินศีจากขุนศีและสมาธินศีจากขุนศีและปัญญินศีจากขุนศีและอนัญญาตัญยัตสามีตินศีจากขุนศีและอัญยินศี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 อินทรีย์2ีสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะเและธาตุสิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะหและธาตุห้าวีสติมูลกนยัยจบ 6. ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น61อวิชชาสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่ง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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันยัญตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งยัตนาหนึ่งและธาตุเจ็สลายยัตนะที่เกิดเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองยัตนาหและธาตุ os, สิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหน่ายัตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามยัญตนา6และธาตุห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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนาและธาตุเท hey. ่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนา11และธาตุสิบเอุปติภพกามาภพสัญญาภพปัญจโวการภพสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอาญตนา11และธาตุสิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร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 อรูปภพเนวสัญญานาสัญญาภพจะตโวการาภพสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะ10บและธาตุสิบหกสอสัญญาภพเอกโวการาภพ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 เจ็โสกะปริเทวะทุกขโทมณตอุปายาสะสติปัฐานสำมบตทานสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 4, อายตนะและธาตุเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะ11และธาตุส7บเอิทธิบาท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 และธาตุ7 7บเจ็ดบอปปมัญญาสี่อินรียห้าพละห้าโพชฌงเจอริยมัติมีองค์ 8. ภัตสเวทนาสัญญาเจตนาอธิโมกมนสิการสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน อายตนะและาธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะ11และาธาตุสิบเจดเจ็ดิจิตสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะ1และาธาตุเสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 4, อายตนะ 11, และาธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะ1ิและธาตุสิบดเจ็ ต, ติกะ สภาวธรรมที่เ <Ken> ป <la i> ็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข äh <fold S 1> ้าไม่ได้ก <Dog> ับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสิและธาตุสิ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 สงเคราะห์เข้าได้กับขน 4, ันสี่อายตนะสองและาธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขนัอนอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขน 1, ันหนึ่งอายตนะสิและธาตุสิบหสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกประวิจารณ์เว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขน 5, ันห้าอายตนะสิและธาตุสิ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 สงเคราะห์เขาไม่ได้กับขันสองอายตนะสิและธาตุสิบหาเก้าสภาวธรรมที่สหรคตด้วยเบรขาสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามและอายตนะสองและธาตุเสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 2, อายตนะ 10, และธ า, ารรตุาเท่าไร่ 3, 2, สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิและธาตุสิบเาสิบสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานสภาวธรรมที่เป็นของเสกขบุคคลสภาวธรรมที่เป็นของอเสะขบุคคลสภาวธรรมที่เป็นมหคัต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 สงเคราะห์เข้าได้กับขน 4, ันธ์สี่อายตนะสและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขนันธ์อายตนะและาธาตุรรทเท่าไร ส, สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขนันธ์หนึ่งอายตนะสิและาธาตุสิบหสภาวะธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์สงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไร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 สงเคราะห์ก็ไม่ได้กับขันอายตนาและาธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนาและาธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้100สภาวธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนาสิและาธาตุสิ 18. สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและาธาตุเท่าไร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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนาและธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนาและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้105สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนา12และาธาตุ 18. สิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนาและธาตุเท่าไร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 หนึ 108. สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึงสงเคราะ์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะ11และธาตุสิบเจสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะ9กและธาตุเ สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนาละธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนา3และธาตุเ1้าสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ player, company, และกระทบไม่ได้เว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนาสองและธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนาละธาตุเท่าไหร่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 ไม่มีขันเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับอายตนะสิบละาธาตุสิบหนร้อยยี่สิบสภาวธรรมที่เป็นรูปสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะ1ิบละาธาตุสิ 11. สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 4, อายตนะละาธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะหนึ่งละธาตุเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป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 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะสงเคราะห์เข้าได้กับขัน5้าอายตนะสิและาธาตุสแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้